ฟังทุกคนแล้วนะว่าแต่และคนก็ได้ลุ้มดีหลงพ่อว่าเราวันแรกเราพูดถึงระเบียบอะไรต่างๆกันเอาไวา้เป็นนั้นแต่ว่าบางอย่างก็ยังไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์นะหมายก็ว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ตอนเช้าให้เป็นเครื่องดื่มนะเป็นเครื่องดื่มเป็กลายไปเนข้าต้มมาวันที่สอง <c oughs> <c oughs> ก็เลยทีนี้ วันที่หนึ่งเป็นศีลวันที่สองเป็นสติวันที่สามวันนี้เป็นวันสัมปชัญญะวันพุ่นี้เป็นวันสมาธิวันมะรืนเป็นวันปัญญาครบพอดีเพราะนั้นพรุ่งนี้จะเน้นการทำสมาธิร่วมด้วยหมายถึงว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีการกําหนดทม สมาธิทำลมหายใจทำการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเอาไว้เพื่อที่จะให้ออตัวทังสติทั้งสมาธิทั้งสัมผัสัญญาเนี่ยทำงานร่วมกันลองดอูทีนี้วันมะรืนไปวันปัญญามะืนนี้จะจะออกตอนเย็นเลยนะเพราะวันยี่สิบเจดวัน 28, นี้แปดหงหลวงพอเลื่อนตัวมาได้วันที่28ดก็เลยว่าจะออกตอนเย็นวันที่ยีเจ็ด ก็เลยว่าในช่วงผู้นี้มันน่าจะเป็นการศึกษาในรายละเอียดผู้นี้ช่วงเช้านี่ขอเป็นเครื่องดื่มเนาะไม่ต้องมีข้อตุมเนาะแล้วอาหารกลางวังนก็เคยเจอภาษาสิ่งนะ <c ười> ั่นแหละก็ด <c ười> <c ười> ีแล้วเราต้องคือเป็นคนฝึกนะเราต้องการฝึกนะนะเป็นคนใหม่เป็นคนเ <co> ก่าแล้วนะวนะต้องการฝึกว่าคือการปฏิบัติแต่ละครั้งเราจะต้องเรียนรู้ข้อบุกคต่างๆเพื่อไปใช้งานหน้า งานหน้างานนี้มีข้อบกพรอ่องแก้ไขางานหน้าก็แก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ตามหลักบริหารจัดการสมัยใหม่เป็นแบบนั้นถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนบริษัทกประสบพภาวะขาดทุนก็ล้มละลายผู้ทึบริษัทของเราไปไม่รอดแลยมันเพราะบริหารจัดการไม่ดีบริษัทไปไม่รอดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการจัดอบรมแต่ละครั้งมีความหมายว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขอันไหนเป็นปัญหาลูกบริษัทวันแรก อย่างเอาตามที่หลวงพ่อบอกรู้สึกมันเบาสบายใช่ไหมพอวันที่สองมาเริ่มแหวกสูตรเลยหนักเลยนี่วันที่สามยิ่งหนักกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปสูตรเดิมดูนี่ไม่ต้องข้าต้มเอาข้าวโอ๊ตอะไ้าอ๊ตมือก็พอแล้วโอ๊ตก็ไม่ต้องเยอะนะแก้วหลวงพอดีนี่ก็กลางวันก็ทํานั้นแหละนะก็ทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ให้อาหารมันเบาอาหารเนี่ยเป็นเหตุให้คน อามาชอบพิจารณาว่าเอ้ทาไมคนยุโปรปอเมริกาทําไมคนฉลาดกว่าคนเราเพราะเขากินอาหารน้อยอาหารเบาๆ เ, เนาะมันก็ไม่หนักบ้าเราอาหารหนักๆลสจัดๆทั้งนั้นเลยมันก็ทําให้เกิดความหนักพอหนักแล้วมันก็เป็นเป็นทุกขเวนทเวนาทุกเวทนาทําให้คนไม่ฉลาดจิตปิติอยู่กับทุกขเวทนามากแต่ว่าคนที่เขากินน้อยเนี่ยมันเบาสบายแล้วคนเขาก็ ความเบาสบายมันเหตุให้เกิดปัญญาได้ง่ายเกิดสมาธิได้ง่ายแต่เวทนามันหนักเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวโมหะตัวความทุกข์เป็นโมหะได้ง่ายในคนทางเอเชียของเราส่วนใหญ่มันเป็นอาหารประเภทหนักมันก็เลยฉลาดน้อยกว่าคนทางยุโรปยุโรปกินแต่ขนมปังกินแยมนิดหน่อยแต่เขากินหนักเป็นมือๆไปแต่ว่าเขาไม่ได้อย่างบ้านเราในสามสามมือเต็มข้าบเลยนะแล้วาอาหารทั้งรสทั้งจัดทั้งหนักทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้าลุยกัน นี่บางสิมันก็เลยอาาาหว่ถ <Anything else> uh, ้า uh ว่าตรงๆก็ว่ามันเลยง่กว่คนแต่วันโชกคนแต่วันดอกก็เลยตกเป็นท่าตางความคิดสมองเขาเลื่อยไปอย่างงั้นแหละความจริงเรานักปฏิบัติเราเราต้องเห็นข้อตรงนี้คือลดลงให้มันเบาเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานอะไรมากมายแต่เราเป็นแต่พวกที่เขากินเยอะเพราะเขาทำงานมากโอเคแต่แต่มันก็เกิดนเนาะงั้นคนทุกวันที่ป่วยเพราะว่าอาหารนะ ป่วยเพราะอาหารไม่ได้ป่วยเพราะหิวนะยมจรยมจรนะป่วยเพราะอาหารหลวงพอ่ อ, พอขอโบมดเลยไม่ใช่ยมเปือนอะทุกคนนะดังคนสมัยใหม่นี่นะคนฝรั่งสมัยใหม่มันหนักก็ไปอีกคไปติดอาหารการเอเชียก็มาอีกมันก็หนักกว่าเรากสองเท่าเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องนี้พวกนี้ก็อขอโอทมิวก็พอละเช้นชานะอนกลางวันก็เอามนเนอไม่ เลือนั่นเองไหมพ่อยหญไม่ช่วยระวังเนาะโอเควันนี้ก็สมควรเวลาคนบูรณาสาธุแต่ละคนที่ได้แชร์เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการง่ายๆขึ้นนะต่อไปเราก็จะเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ะอะไรเป็นโทษเราก็จะละเว้นได้ให้เป็นทางนําไปสู่ความเบาสบายความสุขด้วยกันทุกคนทุกทานเีอ่ะครับครับ ช่วงทำความเพียรเราก็ได้มีแขกผู้มีเกียรติมาลบกวนไอ้มาเยี่ยมมาเยี่ยมแต่ว่าคนจิตใจยังไม่มีที่พึ่งเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ลำบากไปหาอยู่หากินหาสนุกหาเล่นไปเรื่อยๆแก่วันนี้เราก็ยังไม่ได้สนุกกันเท่าไรก็น่าเห็นใจเนาะก<ม>็วันนี้เราคงจะได้สอบอรมณกันแต่ก่อนสอบอระหลก็อยากจ ทวนนิดนึงว่าตอนเช้าเราให้กันให้ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ของนะโดยการเห็นให้ละเอียดขึ้นตั้งแต่หัวจุดเท้าเราจะเห็นว่ายิ่งเห็นละเอียดมากขืออะไรร่างกายนี่ก็เป็นทุกเห็นทุกมากขึ้นเท่านั้นอินเตมไปเรอความเจ็บปวดรวดร้าวอะไรต่างซึ่งเมื่อก่อนเราก็เพลินไป คนหลักอยู่ในที่เห็นอยู่ในห้องพเพลิดแล้วก็ประเพณไปตามความเคยชินแต่พอเรามาดูยิ่งเห็นเข้าเห็นเข้าเห็นเข้าเห็นเข้ามันเป็นที่ตั้งของทุกขไม่มีอะไรน่ายินดีอุติเจ้าท่านให้มองให้ลึกตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าทุกขอนุของร่างกายเนี่ยมันมีที่ไหนเลยที่เรียกว่ามันสบายนะดูให้ซ้ําๆเพื่อเราจะได้ เ, เกิดความเบื่อหน่าย ว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่านี่ยน ะ, น ะ, นะว่าเห็นด้วยปัญญาอชอบว่าร่างกายสังขารร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เราก็ไม่มีสาระเมื่อ น, นั้นจะเกิดความเหนื่อยหน่ายว่าใ น, ะ น, ะ น, ะ น, ะนะสิ่งที่เรายัางติดอย่างยึดเมื่อ น, นั้นนะท่านบอกวา่าถ้ารู้จักเหนื่อยหน่ายในสิ่งนี้ได้ผมบอกว่านั้นจะเป็นทาทางของพระนิพพานจิตของเราก็จะริ่ม นิ่งเริ่มไม่แชดซัดใส่ไม่รุนแรงวิ่งว่นเหมือนแต่ก่อนมันเริ่มนิ่งเริ่มหยุดพอเรามาเห็นว่าไม่รู้จะดิ้นรนไว้ทําไมไม่ว่ากายว่าจิตมันแคจะเริ่มนิ่งเป็นนะทีนี้แล้เมื่อก่อนที่เราไม่เห็นทุกชัดเราก็ส่งใจออกพอส่งใจออกมันคือลืมดูทุกมันก็ยิ่งสนุกไปข้างหน้าเรื่อยๆยิ่งสนุกก็ยิ่งทุกทุกมันใส่ตัวเอง อยู่ในที่สุดร่างกายนี่ก็เจมไปเรืยทุกเพิ่มเข้ามาทุกจรเพิ่มเข้ามาไปโลภัยแค่เจ็บเที่ยวกินเที่ยวอยู่เที่ยวส น, นุกสนานเที่ยวไปในอโคจรทั้งหลายจน ร, ร่างกายนี่ไปรับอาทุกามาเพิ่มเติมแทนที่เราจะเห็นในรา่างกายนี่มันทุกข์พอแล้วแล้วก็ค่อยบำบัดกําจัดป้องกันไม่ให้อาทุกใหม่เข้ามาอีกหน้าที่ของเราแต่เราไม่รู้ไม่เห็นตามพรไปจริง กันในวันร่งกายนี่มันยังมีความสุขอยู่เลยไปวิ่งหาความสุขเทียมๆความสุขมันเกิดจากความบริสุทอร่อยสแสวงหารูปสวยๆเที่ยวดูนู่นเดียวนี่ไปทั้งปีทัวกันสแสวงหาเสียงเพราะๆไปฟังดนตรีฟังมอห์ลัมฟังละครฟังเรดนตรีฟังทีวีฟังยูทูบฟังสารพัด ก็ยังไม่ไม่สนุกไม่จบหากินหารสอร่อยอร่อยหากินปรุงอาหารกันแบบนั้นแบบนี้านนลานนั้นลานนี้ไปก็ยังไม่จบก็ยังไม่สุกอีกหาความสัมผัสนุ่มนวลสนุกสนานอบอุ่นก็ยังไม่จบหาเรื่องมาคิด คีเท่าไหรก็ยังไม่จบมันมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆความทุกข์ที่ข้างนอกมันไม่จบจนกระทั่งเรากลับมาดูร่างกายสังหารข้างในว่าโอ้มันทุกข์จริงๆในที่สุดเราก็ค่อยจะจบลงมาสั้นลงมาพอเรามาเห็นต้นตอว่าทุกข์ที่เอาเรื่องข้างนอกเข้ามาบําบัดมันไม่จบแต่เรามาค่อยบําบัดทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันจบ อ่หมายของว่าเราไม่พยายามให้ร่างกายนี้เป็นทุกมากกว่าเท่าที่มันเป็นอยู่เพราะงั้นเถอะค่อยบำบัดแก้ไขป้องกันไปหน้าที่ของเราน่าจะมีเท่านี้ป้องกันป้องกันทุกนะฮะแต่ว่าเราก็อดจะวิ่งตามคนอื่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกระแสโลกทั้งโลกเขาก็ทํากันอย่างนั้นวิ่งตามกระแสทุก แต่เรา ม, ามาหาทางออกดับทุกคนเดียวรู้สึกมันว่าเวงเงียบเงาะเขาไม่มีเพื่อ น, <c oughs> นก็เลยไม่อยากจะทํามันลึกลงอยากแต่ควจริงมันก็ไม่อยากแต่ว่าเราไม่มีเพื่อนร่วมที่จะปฏิบัติมันก็รู้ว่ายากทำคนเดียวสู้สุขทุกข์แล้วก็ลุยกับเพื่อนไปอย่างนั้นแหะมันก็สนุกไปแบบโลกมันก็เป็นไปตามกระแสกระแสความแก่ความเจ็บความตายพุทธเจ้า ไหลไปสู่ทางเดียวกันหมดกระแสนี้เรียกว่ากระแสวัฏตะวัฏตะสงสารไหลหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนะอันนั้นเองเราก็เลยมาดูทุกข์ให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเอาในที่สุดความอยากความกระตือรือล้นความกระหายอยากมันเราค่อยฝ่อลงเพราะมาเห็นต้นตอมันโอ้ขนาดไม่อยากมันทุกข์ขนาดไหนถ้าอยากมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็เพิ่มไฟ เข้ามาดับไฟอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆนะมาดับความอยากที่ใจนั่นแหละตั่หามถึงลดลงได้เพรเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกขนะ์เนี่ยมันไม่เห็นเหตุของทุกข์นะไม่ต้องเห็นทุกข์เวก่อนเพราเหตุมาจากไหนเหตุทางกายก็มาจากความไม่สมดุลไม่พอดีของสี่อย่างที่ได้กล่าวว่ากรรมจิตอยูตัวหานเหตุทางจิตก็มาจากความอยากที่เรา เอามาจากข้างนอกมาใส่มันเหตุทางกายก็มีสีอย่างเหตุทางจิตของเราก็มีสามอย่างก็คือตัณหาสามันแหละนั้น mm. มันก็ไม่ยากถ้าเราโฟกัสเข้ามาแค่นี้นะแค่เพียงแต่ว่าจะทําไงที่จะลดความยากลงก็คือจะต้องมาเห็นความจริงว่ามันเป็นสิ่งไม่น่าอยากเส้ยก่อน ถ้ายังไม่เห็นความจริงมันก็น่าอยากอยู่ดีนะมาเห็นความจริงว่ามันมันเป็นที่ตั้งของทุกขแล้วเอาความอยากเข้าไปใส่มันมันก็เหมือนเพิ่มน้ำมันลาดกองไฟแทนที่มันจะดับมันกลับเป็นเพิ่มเราก็ต้องมาหามาหาสิ่งตรงนั่งข้ามรู้ว่าไฟความอยากมันร้อนเราก็มาหาไฟ มหาน้ําคือน้ําของศีลนาของสมาธิน้ําของปัญญาเอาเข้ามาลัทธลดบทดับออกไปเรื่อยๆนะทีนี้ตัวปัญญายานตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเต็มที่เมื่อไหร่นี่ยเราก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับเราได้พิจารณาเห็นต่อหนึ่งลึกซึ้งแค่ไหนคนในคนในที่เห็นวิจัยพิจารณาเห็นได้ลึกซึ้งต่อหนึ่งคนนั้นก็จะ เกิดปัญญาได้ไวคุณไหนเห็น <LGBTQ> บ <IX OT ES> <To S 2> ้างพอหลุบหลู่ผิวผืนมันก็ยังมันก็ยังอยากก็ยังไม่ลดอยู่ดีเพอะเห็นไม่ชัดนะเห็นไม่ชัดดังนั้นที่เรามาปฏิบัตินี่มาเพื่อเห็นชัดนั่นเองเห็นชัดว่ามันทุกเกิดก็เป็นทุกแก่เป็นทุกเจ็บเป็นทุกตายเป็นทุกทุกจริงๆพอเห็นอย่างนี้ปั๊บี่จิตใจมันก็เริ่มเบื่อน่ายใครจ้างแล้ว ระหว่างนั่งกับเดินเอันไหนเห็นทุกข์มากกว่ากันเพราะฉะนั้นก็นั่งนานๆพ่อเจ้เห็นทุกข์มากกว่าเดินมันไม่เคยทุกข์เท่าไหร่เราก็ไม่ต้องเดินมากันยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งยิ่งยิ่งดีเพราะเพราะนี้ได้เกิดปัญญาก็นั่นแหละปัญญาเขาเรียกว่าเป็นธรรมวิจยะ <c oughs> ตัวธรรมวิจยะคือตัวปัญญาแต่ธรรมวิจยะเนี่ยหมายถึงได้เห็นสภาพภาวะจริงที่เกิดขึ้น แล้วเข้าไปพิจารณาไม่ใช่ไปพิจารณาในสิ่งที่ยังไม่เกิดถ้าพิพจารณาในสิ่งที่ไม่เกิดเรียกว่าธรรมวิจารณเป็นสมูทัยของทุกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แกันแต่ได้เห็นสภาวะที่มันเป็นอยู่จริงมีอยู่จริงแล้วเข้าไปพิจารณาโดวยว่ามันเป็นอะไรเป็นตรลรักอันนี้เป็นธรรมวิจยะตัวนี้นเป็นปัญญาเนี่ยคาว่าเห็นสติวเห็นคําว่ารู้สติรู้นี่ให้เข้าใจ คือพอเราเข้าใจมันเราถึงสัตว่ะนะแต่ถ้าเราสัตว่าโดยไม่เข้าใจนี่ไม่ถือว่าเป็นสัตวา่าสัตว่าเพราะเราเข้าใจแล้วทีนี้เราในทุก์ในส่วนกายกับจิตเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรหรือมันคนละส่วนใจก็ไม่ทุกโดยใช่ไหมไม่ทุกค่ะแล้ใครเป็นผู้รับรู้ทุกอะจวามรู้สึกเป็นกายหรือเป็นใจครู้สึกก็กายส่งไปที่ใจ นใจก็บผู้รับรู้อยู่ดีใช่ไหมเร า, าอ บ, บอกว่าใจไม่ทุกได้ไงอันนี้คําว่ารู้เฉยๆรู้ซื่ อ, อคือรู้ว่ามันทุกแต่ว่าไม่ปรุงไปกับมันนะัะเพราะใจเป็นทุกแต่ว่ามันปรุงถ้าว่ามันไม่ปรุงไปมันก็คือมันเป็นทุก่ะมันรู้สึกอยู่นะิ ใ, ใจมันรู้สึกถึงความทุกความไม่สบายรู้อยู่แต่ว่าไม่ปรุงไปเป็นขาวเป็นดำไมันปรุงว่าเป็นดีเป็นชั่วไม่ปรุงว่าเป็น สูบเป็นทุกเนี่ยอนี้เขาเรียกว่าใจมันไม่ทุกไปอย่างนั้นแต่ใจก็รับรู้อยู่นะเพราะกายเนี่ยมันรู้ไม่ได้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ารูปกับนามคือมันทําหน้าที่รูปก็ทําหน้าที่รูปนามก็ทําหน้าที่นามเราทําความเข้าใจมันก็ไม่เกิดนามรูปมันก็รูปอดทำหน้าที่ของมันนามก็ทําหน้าที่ของมันนามทาหน้าที่รู้รูปก็ทาหน้าที่แสดงนะ นี่เรียกว่ารูปนามคือเห็นอาการของทุกข์ทางกายทางใจมันทําหน้าที่ทุกเหมือนกันกายทุกก็เหมือนใจทุกใจทุกมันทุกในลักษณะรู้ไม่ใช่ทุกในลักษณะปรุงถ้ารู้ทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่เป็นสมุทัยมันเป็นทุกขลักษณะแต่เมื่อใดไปปรุงมันก็จนเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะแล้วที่นี่ในการ ดูรายละเอียดเนี่ยดูแบบไหนได้บ้างทั้งแต่หัวจุดเท้าตามดูละละเอียดเป็นส่วนๆไม่ได้ดูเป็นรวมๆมันเพลินได้ทั้งสุขทั้งทุกข์นะเพลินในสุขนะมันก็ทำให้เพลิเพลินในทุกข์ก็ทำให้เพลิเพลินในความไม่สุขไม่ทุกข์ก็ทำให้หลงนะเพราะฉะนั้นเพลินนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกตัวพุทธเจ้าบอกให้ละนันที ท่านทน น, น, ท น, น, น, นิ้นท่านนินัิละนันทีเพราะนันทีเป็นเหตุให้เกิดให้เพลินให้เผลอให้ใ ห, ห, หลงอะ่ทะทละความเพลินได้ทั้งเผอทั้งหลงก็ไม่ไม่เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้คือตัวสําคัญเรืองตัว น, น, นันที่มันเป็นเดินเหตุ ข, ของอกุศลธรรมทั้งปวงไปจากมันนั้นแหละอแล้วทีนี้ในการเปลี่ยนเยียบทได้ตามรู้ไหมว่ามันเห็นทุกเกิดทุกดับเห็นความ ไม่ทุกมันเกิดมันดับได้เห็นตั้งใจใดูไหมที่เน้นให้ดูละเอียดเพื่ออะไรเพื่อที่จะเห็นเหตุให้ลึกลงไปนั่นเองให้ตามรู้ว่าให้ลึกลงไปนั้นพอเ ห, นเห็นลึกลงไปสติ ส, สมย่ามัก็ย่างลากลึกลงเท่านั้นสติ ส, สมย่มันจะอย่างลากลึกตรงเห็นรายละเอียดตรงลึกและ ย, ยาวนะถ้าเห็นสั้นสั้นมันก็ย่างลากได้สั้น คือหมายก็ว่าเราทุกตอนที่เรานั่งทับใช่ไหมพอเราเปลี่ยนทุกมันก็คลายไป ก, ก็ยังไม่ลดละเพียงแต่ว่าทุกคลายไปก็ตามรู้ไปอีกว่ามันคลายไปแล้วนั่งทับลงไปในอิรธยบทใหม่แล้วทุกเกิดขึ้นอีกเข้มขึ้นอีกทีนี้เข้มแล้วพอทําท่าจะเปลี่ยนก็ยังไม่เปลี่ยนทําท่าจะเปลี่ยนก็ยังไม่เปลี่ยนนะแล้วที่นี้ก็เปลี่ยนแล้วเป็นยังไงอ่า นีเขาเรูแบบต่อเนึ่องลากมันก็จะยาวไปเรื่อยๆลากมไมเป็นการทรมานสังขารอออแล้วก็าเปลี่ยนออกเรื่อยๆเนี่ยไม่ทรมานเราไม่ได้นั่งแช่อย่างนั้นนะใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นการว่าในขณะที่เปลี่ยนแล้วขณะเปลี่ยนก็ดีเปลี่ยนแล้วก็ดีกําลังเปลี่ยนก็ดีได้เห็นความต่อเนื่องของมันหมายถึงความไม่ใช่ลากยาวในครังที่มันทุกแต่ลากยาวในการดูในการดูอย่างต่อเนื่องอันนั้นคืออย่างรากของสติสมญา มันจะลึกลงไปเรื่อยยิ่งอย่างลากลึกลงไปเรื่อยๆมันก็เห็นกระบวนการทั้งหมดของตรลักษณ์ทีมาทำงานสัมพันธ์กันอย่าง น, น, นี้ก็ยิ่งเห็นความสัมพันธ์ของเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทางกายได้ละเอียดขึ้นมันก็จะหายสงสัยในกรณีอื่นด้วยนะเพราะสิ่งที่จะไม่ทําให้ทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าพัฒน์ากกระทบกายอย่างเดียวตากระทบรูป ใช่มมีความชอบแล้วไม่ชอบเสียงกระทบหูก็มีความชอบมีความเพลินแล้วไม่เพลินอยู่ในนั้นแต่หมูกระทบกินดินกระทบรสสัมผัสที่เรารู้ส่วนใหญ่แล้วนี้จะมากระทบสัมผัสกระทบกายแต่เราไม่บูรณาการไปถึงตาหูจมูกลิ้นที่มันก็กระทบก็มีความทุกแบบเดียวกันนี่แหละแต่มันทุกคนละอย่าง แต่ว่าเราไปเห็นไม่ถูกตานิ้ตาไม่ได้ทุกข์ด้วยนะใจมันทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าผัสสะทุกขกายเนี่ยกายมันทุกข์ด้วยถึงแม้เราไม่ได้ทุกข์กับมันมันก็ยังทุกข์อยู่จมูกเสียงร่างกันอ่ะมันก็ได้มีทั้งหยาบการานเราเคยพยายามดูไปแต่ส่วนใหญ่แล้วพูดถึงว่าความทุกข์ทางกายมันเกิดจากผัสสะแต่ว่ารูปเสียงกีรติลดสัมผัสมากระทบตาหูจมูก ลิ้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นมันชัดเท่าไหร่ตัวนี้นะอันนี้เราก็ต้องเฝ้าดูให้ชัดไปด้วยแต่ว่ามันก็ห่างๆนะ่ะเราอยู่อย่างนี้อะไรที่จะมากวนตาให้มันไม่ชอบใจมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นที่จะมากวนจมูกก็ไม่ค่อยมีก็มีนิดหน่อยเวลาปรุงอาหารกลิ่นเข้าจมูกม่กลัวเราทํามหิวไง <c oughs> <c oughs> ะแต่กรบกินลิ้นกระทบรสรู้อาหารเผ็ดไปอาหารเค็มไปอาหารจืดไปเนี่ย มันก็ทำให้เกิดความชอบไม่ชอบขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เราไม่ไม่ละเลยต่อการสังเกตทั้งอายตนะอื่นด้วยไม่ใช่ดูแต่กายอายตนะทางกายเท่านั้นนะยะทางตาหูจมูกลิ้นก็ต้องดูด้วยอายตนะทางจิตถึงที่มากระทบ <c oughs> ก็ดูให้ทั่วไป